มีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยววันนี้จะมีช่วงถามตอบปัญหาช่วงภาษาอังกฤษอันนี้ก็เลยอาจจะให้ถามตอบปัญหากันได้มากก่อนใครอยากจะถามปัญหาทางภาษาไทายก็ลองถามเข้ามาก่อนก็ได้ทางบ้านมีมีสง่งเข้ามาไหมยังค่ะ ทางบ้านถ้าใครอยากจะถามปัญหาก็ลองส่งเข้ามาตอนนี้เลยก็ได้ออถ้าไม่ให้ถามตอนนี้แล้วเดี๋ยวเวลาให้ถามจะไม่พ อ, เ, อ, อเดี๋ยวช่วงสามโมงยี่สิบจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมีชาวต่างชาติที่เขาติดตามทาง YouTube ทางอะไรเขามีคำถามเขาก็ส่ง ข้อความก็มาถามเราก็รวบรวมคำถามไว้พอได้ประมาณสักยี่สิบกว่ายี่สิบห้าข้อก็จะเอามาถามครั้งหนึ่งล้วก็จะเก็บไว้ใน YouTube แล้วเขาก็เข้าไปดูคำตอบได้ก่อนจะตอบก็มีการโพสต์ไว้ในหน้าในเพจภาษาอังกฤษว่าวันนี้จะมีการถามตอบปัญหา ในเวลา3โมง20วันนี้ก็อาจจะพูดธรรมะน้อยหน่อยให้ถามปัญหากันก่อนถ้าไม่มีคำถามแล้วก็จะค่อยพูดธรรมะต่อฉะนั้นท่านที่ติดตามที่อยากจะถามปัญหาคำถามเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ตอบก็ลองถามเข้ามาใหม่ก็ได้ มีเข้ามาหมห้ยังไม่เข้าใช่ไหมไม่เป็นไรอ่าวันนี้มีเลยวันนี้กำลังรอจังหวะนีขอกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าระหว่างที่เราใช้คำภาวนาเพื่อเจริญสติสมมว่าถ้าเราภาวนาคำว่าพุโทโธแล้วเราเนึกถึงพระพุทธคุณหรือภาวนา พระโชฮารันดังชังฮารติแล้วนึกถึงคำแปละอะไรแบบเนี้ยค่ะความแตกต่างเป็นยังไงคะบางทีมัน เ, เราจะฟุ้งไปกับฟุ้งไปกับธรรมะอยู่เพราะว่าเราเพยายามที่จะออถ้ายู่กับคําพูดอยู่กับพูดโทได้มันจะดีกว่ามันจะนิ่งกว่าถ้า<ม>ต้องเป็นคำเป็นยาวๆมันก็เป็นความปรุงแต่งอความคิดปรุงแต่ง ที่เราต้องการจะหยุดค่ะเาฉะนั้นก็ยังก็ยังไม่เป็นไรถ้าเป็นอยู่ในในธรรมะอยู่เช่นสวนบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปอย่างนี้ก็ยังสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งทางโลกทางกิเลสอยู่แต่ถ้าเวลานั่งสมาธิจะให้มันนิ่งเนี่ยต้องอยู่คำเดียว ถ้ายังอยู่คำคำเดียวไม่ได้ก็อยู่กับบทสวดยาวๆไปก่อนก็ได้สวดไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันไม่อยากจะสวดนั่นตอนนั้นก็อาจจะอยู่กับพุโทโธคำเดียวหรือถ้าไม่อยู่กับพุโทโธก็อาจจะดูลมหายใจเฉยๆก็ได้ <Okay. S 1> ดูโดยที่ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธเพราะมันใจมันเหนื่อยมันก็จะไม่คิดปรุงแต่ง พอเราเอามันมาคิดปรุงแต่งทางธรรมะบางท่านมันเหนื่อยมันก็เลยไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะรู้เฉยๆเราก็ให้มันรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกค่ะทีนี้พออยู่กับลมหายใจเข้าออกเราไปถึงว่ามีความสุขอยู่กับลมหายใจเราควรที่จะทิ้งอารมณ์สุขนั้นคือไม่ต้อง<ะ>ทิ้งไม่ต้องอะไรให้รู้เฉยๆ ก็อยูู่ร้มันจะอะไรจะสุกให้มันสุกไปมันจะไม่สุกให้มันไม่สุกไปไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรให้รู้เฉยเฉยให้ดูลมเฉยเฉยดูแล้วจะเกิดปิติน้ำตาไหลก็รู้เฉยเฉยดูแล้วจ ะ, ะมีอะไรมาก็อยากไปสนใจให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวให้อยู่กับลมดูกับลมไปจนกว่าลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปก็อยู่กับความว่างไป ให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นมาให้รู้ก็อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงมีอะไรมาให้รู้ก็อย่าไปตามรู้ให้รู้อยู่กับลมไปหรือถ้าไม่มีลมก็ให้อยู่กับความว่างอย่าไปอยู่กับอย่างอื่น ถ้าเรารู้ว่านี่มันพอใจมีเวทนาเป็นสุขเวทนามาแล้วรู้ว่าอ๋อนี่เวทนาเกิดแล้วแบบนี้ได้นไหมคะก็ยังฟุ้งออกไปกลับมาดูที่ลมอย่างเดียวขอบคุ ณ, ค, ณค่ะเดี๋ยวมันก็หลอกฟุงแต่งต่อไปอาจารย์จะได้มีอย่างเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมีอะไรมาจะอย่าไปวิาพากวิจารมัน มีภาวิจาร์เขาปรุงแต่งไปแล้อไป make เปนทคอมเมนต์รี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วนึกว่าจะแยกธาตุหมายถึงว่าจะแยกขันวาอ่อนไม่ใช่เวลาจะนั่งสมาธิไม่ใช่เวลาแยกขันนั่งสมาธิเป็นเวลาทําให้จิตมันหยุดคิดให้มันนิ่งอจะแยกขันไม่ต้องมานั่งสมาธิตอนนี้ก็แยกได้คิดไปให้พอสิตอนนี้อยากจะอยากจะคิดตอนนี้คิดไปได้ตลอดเวลาทาให้ไม่แยกตอนนี้เหละ แตไมไ ป, ปยากตอนที่ให้หยุดไม่ให้ทํางานกลับไปแยกตอนที่เอไปแยกตอนที่จิตหยุดตอนที่ทําสมาธิก็เพื่อให้จิตมันหยุดให้มันพักอเหมือนเวลาจะนอนก็ไปทํางานไปคิดถึงเรื่องงานมันก็นอนไม่หลับเลย่างเวลานอนก็ต้องหยุดคิดมันถึงจะหลับอการนั่งสมาธิก็ต้องหยุดคิดมันถึงจะสงบ ถ้าอยากจะแยกก็แยกตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนเดินจงกรมเนี่ยยยกไปสิแยากให้พอออพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเลย อ, อเวลาที่คิดไม่เอามาคิดทางธรรมะไปคิดทางโลกไปที่นั่นดีไหมไปที่นี่ดีไหมไปกราบศพอาจารย์องค์นั้นดีไหมไปอินเดียดีไหมคิดร้อยแปดมันเรื่องของกิเลสให้คิดเท่านั้น คิดเพื่อให้เราไปนู่นมานี่กิเลสมันชอบชอบรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ๆแปลกๆอยู่กับที่มันจำเจซ้ำๆเห็นหน้าตาคนเก่าๆก็เบื่ อ, อพอไปที่อื่นเห็นหน้าคนแปลกคนใหม่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขึ้นมากิเลมันเบื่อของเก่ามันจะหลอกให้เราไปไปนู่นมานี่อยู่ตรงนี้ก็เบื่อตรงนี้ใช่ไห อยู่สักพักเดี๋ยวก็เบื่ออยากจะไปตรงนู้นพอไปถึงโนนนู้นอยู่ไม่ได้กี่วันก็เบื่ออยากจะไปตรงนั้นต่ อ, อีีเน<ม>่ยถ้าลองปล่อยให้มันคิดมันก็จะคิดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่สงบถ้าไม่สงบก็ไม่สุขไม่พอไม่อิ่มแต่ถ้านั่งเฉยๆทำจิตให้สงบได้มันอิ่มมันพอแล้วก็ไม่ต้องไปไหนที่หากันก็หาความสุข แต่หาความสุขไม่เจอเพราะไปวิ่งตะคุบเงาตัวเจ้าของเงาไม่ตะคุบไปไปไตะคุกเงาเอเห็นเงาทอดอยู่ข้างหน้าก็วิ่งเข้าไปหามันมันก็ขยับหนีไปเรื่อยๆเราไปจับต้นต้นเงาสิต้นเงาก็คือตัวตัวที่ที่คิดจะไปไหนมาไหนเนี่ยหยุดไอ้ตัวนี้เสียเราอยู่ไอ้ตัวนี้ได้แล้วมันก็สบายมันก็ไม่อยากจะไปไหนเอง ฉะนั้นเวลาทําสมาธิก็เพื่อหยุดไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นหยุดจิตหยุดแล้วมันจะมีความสุขมีความสงบมีความสบายพอมีความสุขความสบายแล้วเราก็เวลาเราออกจากสมาธิความสุขความสบายก็ยังติดอยู่กับเรามาเราก็สามารถใช้ความสุขนี้ต่อสู้กับกิเลสได้กิเลสจะ หลอกให้ไปที่นูน่นที่นี่ไปทำห้เหนื่อยต้องเดินทางต้องเสียค่ารถเสียค่าน้งมันต้องจองที่พักต้องหาอะไรวุ่นวายไปหมดถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆก็ไม่ไปอยู่ที่นี่ดีกว่าเนี่ยมันจะกิเลสอยากได้อะไรถ้าเรามีความสุขใจจากสมาธิเราเราก็ฝืนมันได้ปฏิเสธมันได้ ซื้อกระเป๋าใบใหม่ดีไหมว่าไม่ซื้อหรอกซื้อมาทําไมเท่าที่มีอยู่นี่ก็ใช้ไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเซื้อมาอีกทําไมเสื้อผ้าก็มีอยู่เต็มตู้แล้วรองเท้าก็ไม่รู้มีไม่รู้กี่คู่แล้วอะไรก็มีเต็มไปหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรมาอีกถ้ามันใจมันอิ่มแล้วมันจะไม่หิวแล้วเวลากิเลสมาหลอกมาลอ่อให้ ไ, หไปเอานู่นเอานี่มันไม่เอาม เพียงแต่คิดมันก็เหนื่อยแล้วกว่าจะไปได้มาต้องไปที่ร้านเดินทางรถติดหาที่จอดรถเดินไปที่ร้านบางทีไปถึงของที่อยากจะได้ เ, เขาขายไปแล้วหมดแล้ว เ, เสียเสียอารมณ์อารมณ์เสียอยากได้ก็ต้องรอต้องสั่งมาใหม่ เ, เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าใจไม่มีความสุขแล้วมันก็จะต้อง ดินไปหาเรื่องเราก็ต้องเจอเรื่องต่า ง, างๆให้วุ่นวายใจล่าแต่ถ้าใจสงบแล้วมันไม่อยากได้อะไรแต่มันสงบไม่นานท่านั้นสมาธิมันเหมือนน้ำที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นเวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หายเย็นใจก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธิก็เย็นอิม่มสบาย เวลาจากสมาธิมาใหม่ๆก็ยังอิ่มยังสบายอยู่แต่สักพักมันเริ่มร้อนแล้วเริ่มหิวแล้วเริ่มอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วเวลานั้นควรจะกลับเข้าไปเอาน้ำกลับเข้าไปแช่ตู้เย็นใหม่ให้มันเย็นใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกแล้วก็ถูกกิเลสลากไปถ้าถ้าไม่เข้าสมาธิเดี๋ยวก็สู้กิเลสไม่ได้ อย่างกเลยมันก็เอาธรรมะมาหลอกเราเนะี่ยไปอินเดียไมไปกราบพระพุทธเจ้ากันความจริงอินเดียมันเป็นเพียงแต่เหตุก้ออ้างเฉยก็ uh huh. เหตุจริงๆก็คือไม่อยากอยู่ตรงนี้ค่ะเบื่อตรงนี้อยากจะเปลี่ยนที่ uh huh. ไม่อยากนั่งสมาธิ uh huh. สมาธินี้ถึงเม้ว่าจะสงบจะดีขนาดไหนแต่เวลาจะออกมานี่ เวลาออกมาแล้วเราจะกลับเข้าไปไม่ใช่มันจะกลับเข้าไปง่ายๆกีเลสมันไม่ชอบให้เรากลับเข้าไปเราต้องคอยบังคับใจให้กลับเข้าไปต้องบอกว่ามีที่ไหนดีถ้าอยากจะไปไหนก็ไปข้างในดีที่สุดเข้าไปในสมาธินั่นแหละนั่นแหละความสุขอยู่ตรงนั้นถ้าไปที่อื่นแล้วก็ต้องไปเจอความทุกข์ความวุ่นวายใจเพราะมัน ขางนอกมันเป็นความสุขบระเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้คิดจะไปทํานูน่นทํานี่พอถึงเวลาไปทําจริงๆก็ไม่สนุกแทนที่จะสนุกกับไม่สนุก เ, เพราะมันไม่ได้เป็นตามที่คิดไว้อ่าเพราะฉะนั้นให้มองให้เห็นว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรอยาก มันกำลังไปหาเรื่องวุ่นวายใจมันไม่ใช่เรื่องของความสุขหรอกอาจจะสนุกอาจจะเพลิดเพลินแต่มันวุ่นวายสู้ไปหาความสงบดีกว่าหาความสงบหาสมาธิเข้าสมาธิกันพยายามนั่งสมาธิกันบ่อยๆที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี่มี กายรายงานให้ฟังหน่อยด้ไหวันหนึ่งนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงวันละหกชั่วโมงมีไหมนั่งทุกวันวันละหกชั่วโมงมีไมมไม่ต้องนั่งครั้งเดียวนั่งหลายหลายรอบก็ได้หกรอบอนั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ออกมาเดินจงกมชั่วโมงหนึ่งเดินจงกมเสร็จชั่วโมงก็กลับไปนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งก็ได้สิบสองชั่วโมงแล้ววันหนึ่งเราปฏิบัติแค่นี้ไม่ได้เลย เดินกำนั่งสองอย่างนี้ <Yeah. S 1> เดินชั่วโมงพุโทโธพุโทโธไปชั่วโมงแต่แล้วก็มานั่งตามพุโทโธท่านเหนื่อยพุโทโธก็ดูลมไปดูลมหายใจเข้าออกไป <Yeah. S 1> พอได้ชั่วโมงก็ลุกขึ้นไปเดินใหม่อีกชั่วโมง <Yeah. S 1> ถ้าทำนี้ได้วันหนึ่งสิบสองชั่วโมงผ่านไปแล้ว <Yeah. S 1> สบายท <Yeah. S 1> านี้ได้ต่อไปก็ไม่ต้องไปไหนอ ย, อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ yeah. ความสุขอยู่ที่ความสงบของใจเท่านั้นแะ่ะความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้สุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ตามมาเวลามันหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนไปดัะนั้นขอให้เราพยายามควบคุมใจทำใจให้สงบต้องฝึกสติให้มากๆ ลืมตาขึ้นมาก็ควบคุมไว้เลยอย่าปล่อยให้คิดถ้ายังไม่ถึงเวลาต้องคิดอย่าไปคิดเวลาที่เราเตรียมตัวไปทำงานเวลาที่เราเตื่นขึ้นมานี่เราไม่ต้องคิดอะไระะถ้ามันจะคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้นกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันกาลังแต่งเนื้อแต่งตัว ให้มันอยู่กับงานที่เราทำไปถ้ามันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปทำอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้พอเราว่างเราก็มานั่งสมาธิถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ไม่มีงานอะไรต้องทำหลังจาก อ, อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งเอ่อเตรียมตัว ดูแลรักษาร่างกายเสร็จกินอาหารเสร็จก็เดินจงกรมไปเดินชั่วโมงเสร็จจากเดินก็นั่งชั่วโมงแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงจนถึงเวลาบ่ายก็เอาก็ต้องทำงานอะไรต้องกวาดกวาดถูอะไรก็ทำไปแล้วถึงเวลาจะดื่มน้ำปานะก็ดื่มก็ได้หรือถ้าไม่ดื่มน้ำปานะยุ่งยากก็ดื่มน้ำเปล่า เวลาหิวน้ําก็เดินน้ําเปล่าไปแล้วก็สลับกับเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลานอนเลยนอนก็นอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอเดินขึ้นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปนอนนอนสี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มก็ตื่นตีสองเกตีสามถ้านอนห้าชั่วโมงก็ตื่นตีสาม แล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินจนกผมนั่งสมาธิจนถึงสว่างสว่างก็ไปทํากิจกรรมทางร่างกายหาอะไรกินหาอะไรทำอะไรไประหว่างทําก็คอยควบคุมใจด้วยสติให้เจริญสติตั้งแต่ทุกทุกิริยาบททุกเวลาที่ตื่นอย่าปล่อยให้ใจคิดด้่ยเปื่อยต้องควบคุมไม่ไม่ให้มันคิดให้มันคิดเรื่องเดียวก็คือพุทโธพุทโธไป แล้วเวลนั่งสมาธิมันจะสงบจะมีความสุขมีคำถามขามา้าหมาย่ังอถามมาคำถามจากคุณวิจเจริญการใส่บาตรเราสามารถใส่บาตรด้วยผลไม้แบบมีเปลือกให้พระท่านปอกเองได้ไหมเจ้าคะได้อย่าไปใส่ของดิบที่ต้องเอาไปหุงมาแล้วกันอย่าไปใส่ไก่ดิบ เ น, เนื้อเนื้อดิบอะไรของขอ ง, ของที่พระต้องไปทำให้มันสุกไงเพราะว่าพระไม่มีหน้าที่ทำกับข้าวพระพธเจ้าไม่อยากให้มาเสียเวลาไม่ใช่เล ไ, ไม่อยากให้มาเสียเวลากับการเป็นพ่อครัวก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมเอาของสุกก็คือโดยปกติการใส่บาตของชาวพุทธเราสมัยก่อนก็คือ เราทํากับข้าวไว้ทํำเราเรากินเองแล้วเราก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งให้พระไปเท่านั้นเองอทุกวันเราต้องทํากับข้าวเองใช่ไหมทุกวันเราต้องกินข้าวเวลาเราจะกินข้าวเราทํากับข้าวเราก็ทําเผื่อพระไว้หน่อยส่วนหนึ่งทําอาหารสุกแล้วามาห้ก่อนก็ใส่ปิ่นโตหรือใส่ถุงใส่อะไรเอพาไปถึงวัดก็จะได้ฉันได้ฉันเสร็จท่านก็จะได้ไป เดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทำกิจของพระได้ถ้าต้องมาเอาของดิบมาต้องมาทำอีกกว่าจะเสร็จอีกก็อาจจะเลยเพลเอาอาหารต้องเป็นอาหารสุก ข, ของที่สุกแล้วส่วนผักผลไม้นี่ก็ก็ต้องดูความเหมาะสมบางทีญาติโยมเมตตาถวายทุเรียนลูกนี้ก็ตายแล้ว แตงโมโ ล, ลูกหนึน่งท่าน ถ, ถ, ถ้าท่านบินทบาตองคเดียวท่านก็ไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนนะนั่ก็ต้องดูความเหมาะสมถ้เาเราเห็นว่าท่านมาองค์เดียวอย่างนี้ก็อาจจะปอกผลไมห้หรือถ้าเป็นแตงโมโหรือทุเรียนก็เอาเม็ดเอามันออกใส่ถุงสักเม็ดสองเม็ดก็พอแล่วถวายทั้งลูกเลย เนี่ยถ้าไปเจอแตงโมงสักลูกหนึ่งทุเรียนสักลูกหนึ่งน้ําสักขวดหนึ่งก็จบแล้ะไปไหนไม่รอดล ะ, ะคําถามจากคุณแมนอุทิศ ส, ส่วนบุญทําได้แค่คนตายหรือคนที่มีชีวิตอยู่ทําได้ไหมคะคนที่มีชีวิตอยู่นี่เขาหาบุญได้เองมากกว่าบุญนี่อุทิศนี่อุทิศได้คนที่หาเองไม่ได้ คนที่ตายไปแล้วแล้วก็ต้องเป็นคนที่เป็นขอทานเป็นคนตายที่ตายไปแล้วไปเป็นขอทานขอทานก็คือเปรตเปรตนี้ไม่มีบุญติดตัวไปเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ยอมทําบุญทาแต่บาปตายไปก็เลยไม่มีบุญก็เลยต้องมาขอบุญจากคนที่มีชีวิตอยู่ ่คนที่มีชีวิตอยู่ควรจะรีบทําบุญเสีต่อไปจะได้ไม่ไปเป็นขอทานเวลาตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีบุญเข้าใจไหมที่ให้ทาบุญนี้ก็เพื่อที่คนทํานี่แหละจะได้บุญมากกว่าคนตายคนตายนี่ก็ได้เป็นก็เหมือนกับอาหารที่แบ่งให้พระอย่างนี้แต่คนทำกับข้าวนี่ได้ไ ด, ได้ได้อาหารเยอะกว่าได้เลี้ยงคนทั้งบ้านได้ แต่อาหารส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พระพระก็เหมือนเหมือนขอทานใช่ไหมตอนเชาพระเป็นบินทบาทพระก็ได้อาหารจากญาติโยมที่แบ่งให้ถ้าญาติโยมไม่ทำกับข้าวไม่ทำอาหารญาติโยมก็ไม่ได้กินพระก็ไม่ได้กินอันนี้ก็เหมือนกันขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวเราตายไปเราก็ไม่มีบุญติดตัวไปดังนั้นการที่ เรามาทำบุญให้คนตายนี้เป็นอุบายให้เราได้ทำบุญเพราะถ้าไม่มีคนตายเราก็มักจะไม่ชอบทำบุญเสียดายเงินกันเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าไปเที่ยวดีกว่าอได้ของในภพนี้แต่ไปเวลาตายไปของพวกนี้เอาติดตัวไปไม่ได้ของที่เอาติดตัวไปได้คือบุญไม่เอาไปกันไม่ทำกัน เวลาไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยไม่ได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตแทนคำถามจากคุณมายค่ะการฟังพราสวดมนต์ได้บุญไหมคะถ้าได้บุญการสวดมนต์กับการฟังพราสวดมนต์อา น, นิสงส์ต่างกันอย่างไรบ้างคะอะไรต่างกันนะ การฟังกับการกา ร, รฟังพระสวดมนต์กับการสวดมนต์เองค่ะอ๋อก็การฟังคนอื่นสวดมันก็เหมือน ก, นกับการฟังธรรมเนี่ยการสวดเองกับการฟังคนอื่นสวดมันก็เหมือนกันคือถ้าเราตั้งใจฟังหรือตั้งใจสวดเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันก็เป็นการฝึกสติแต่ถ้าเราสวดเองได้มันจะดีกว่าเพราะถ้าเราจะรอคนอื่นสวดให้เราเกิดเขาไม่สวดเราก็เราก็ไม่ได้เราก็จะไม่ได้บุญเราฟังพระสวดแล้วต้องไปนิ ม, มนต์พระมาที่บ้านกว่าจะท่านจะสวดก็สวดแป๊บเดียวเสียเวลาขับรถไปนิ ม, มนต์ท่านมานั่งที่บ้านมาสวด เราต้องทากับข้าวเลี้ยงท่านอีกถ้าเราสวดเองได้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเป็นนิมนต์พระเราสวดได้ทั้งวันเลยนั้นประโยชน์ที่ได้รับจะได้มากน้อยต่างกันถ้าสวดเองจะได้มากกว่าเพราะเราจะได้สวดบ่อยๆถ้าสวดให้พระสวดก็ต้องรอให้ท่านสวดต้องรอจังหวะเวลาที่ท่านสวดแล้วก็มานั่งฟังท่านสวดก่อนที่ต้องฟังท่านสวดก็เพราะว่าอาจจะ สวดไม่เป็นเรืออ่านหนังสอือส่วนมนต์ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ก็หัดส่วนไม่เป็นใช่ไหมการจะส่วนมนต์ได้ก็ต้องอ่านหนังสือสวดมนต์ได้ก่อนอเมื่ออ่านแล้วก็จะได้จะได้ไดสวดได้นี้สมัยก่อนนี้คนไม่มีการศึกษากันไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนเลยอ่านหนังสือไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยการฟังแทน การฟังเทศเนี่ยแทนที่จะอ่านหนังสือเองก็ต้องให้พระมาอ่านให้ฟังหรือให้พระสอนอแต่ถ้าเราอ่านหนังสือได้เราก็ไม่ต้องรอให้พระเทศก็ได้เราก็เปิดหนังสือทำมาอ่านได้ตลอดเวลาที่เราต้องการสมัยก่อนไม่มีการศึกษาแพร่หลายเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนคนคนที่ได้การศึกษานี้มีน้อยเอ ก็เลยต้องอาศัยการฟังพระสวดเมื่อการฟังพระเทศเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติดังนันการฟังเทศการฟังการสวดก็เพื่อเป็นการเจริญสตินี่เองเวลาเราฟังถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เวลาเราสวดก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจสวดเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ มันก็จะได้สติในยับยั้งความคิดต่างๆต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราต้องอาศัยคนอื่นเราก็ต้องรอให้เขาสวดถ้าเขาไม่สวดเราก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราสวดเองได้เราก็จะสามารถที่จะสวดได้ทุกเวลาที่เราต้องการการเจริญสติจากการที่เราสวดเองจะได้ต่อเนื่องได้มากกว่า การที่เราจะต้องไปรอให้พระสวดให้เราฟังคำถามจากคุณจินค่ะอธกถาอธิบายเรื่องอาทิสมานกายคือจิตที่เป็นตัวรู้ตัวคิดหรือไม่อย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันล่ะคุณลองไปค้นดูในกู o g l e ดูเลยคำถามจากคุณชนะตนค่ะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากิเลสกำลังหลอกเราอยู่บางทีมาแบบหวังดีให้ทำโน่นทำนี่ไปโน่นไปนี่แล้วจะได้บุญหลากหลายเช่นบางทีไม่ต้องออกไปใส่บาตรหลอกนั่งสมาธิดีกว่าบุญเยอะกว่าอย่างนี้กิเลสหลอกไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราปกติเราทำอะไรอยู่ถ้าเราปฏิบัติทำอยู่การไปทำบุญมันก็สู้การนั่งสมาธิไม่ได้ แต่ถ้าปกติเรานั่งดูทีวีอยู่เงี้ยแล้วพอถึงเวลาให้ไปทําบุญก็อ้างว่าอ่านั่งสมาธิดีกว่าแต่ก็ไม่นั่งก็ไปนั่งดูทีวีอย่างนี้ก็เป็นกิเลสถ้าว่าจะนั่งสมาธิดีกว่าก็ต้องไปนั่งสมาธิเพียงแต่ว่าอ้างว่านั่งสมาธิแต่เวลานั้นไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั้นก็กลับไปทําอะไรต่างๆอ้างว่าน นั่งตั้งแต่เมื่อคืนนี้หรือเมื่อเมื่อวานนี้อย่างนี้ก็เป็นกิเลสถ้าเวลาเดียวกันถ้าให้เรื่องระหว่างนั่งสมาธิกับการไปทาบุญใส่บาตรนี่ก็นั่งสมาธิมันก็ต้องดีกว่านี่มันก็ต้องดูว่ามันมันอันไหนอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันและได้ทำจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแต่อ้างว่า พอเวาจะนั่งสมาธิพอเราถึงเวลาใส่บาตรไม่ใส่บาตรดีกว่าไ่นั่งสมาธิแต่ก็ไม่ได้นั่งหรือนั่งเพื่อที่จ ะ, ะเพื่อที่จะเลี่ยงการใส่บาตรเนี่ยอันนี้ก็มันก็ต้องรู้แหละคนเราเป็นของนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็ต้องรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเวลาไหนควรทํำอะไรไม่ควรทําอย่างไร สถานาภาพของตนเองอยู่อย่างไรถ้าให้มันชัดชัดมันต้องอย่างถ้าเป็นพระนี่ไม่อยากไปใส่บาตรเนี่ยพระไม่มีหน้าที่ใส่บาตรแต่พระบางองค์ก็ดันอยากจะไปใส่บาตรวันเกิดอยากจะใส่บาตรขึ้นมา บ, บุญของพระไม่ใช่อยู่ที่การใส่บาตรบุญของพระอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การนั่งสมาธิอยู่ที่การเจริญปัญญา แต่สำหรับญาติโยมเนี่ยบุญที่ของญาติโยมเป็นหลักก็คือบุญที่เกิดการใส่บาตรเพราะญาติโยมไม่มีเวลามารักษาศีลมานั่งสมาธิได้อย่างพระนั้นการทำบุญใส่บาตรนี้มันเป็นการกระทาที่เหมาะสมกว่าเยอะสำหรับญาติโยมญาติโยมทำได้ง่ายแ ล, และได้บุญทันที เพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูฐานะของเราว่าเราอยู่ในฐานะไหนอันไหนเราทำควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องใช้ใช้ใช้ถามตัวเองดูก็แล้วกันว่ากิเลสหรือไม่กิเลส อ, อันนี้พูดไม่ได้คำถามจากคุณนะัด การทำบุญหนึ่งรอวันหลังจากผู้ตายสิ้นชีวิตนั้นมีความสำคัญอย่างใดต่อดวงวิญญาณของผู้ตายและถ้าเราทำแค่บุญใส่บาตรพระตามปกติในวันครบรอบหนึ่งอวันของผู้ตายตอนเช้าหรือที่วัดแทนการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านหากผู้ตายอยู่ในภพภูมิที่รับได้วงเลสเปตเป็นอุทิศให้เขาถึงได้รับใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ต้องรอร้อยวันครจะทาทุกวัน เขาจะถ้าเขาเป็นเปรตเขามารอร้อยวันจะกินสักครั้งนึเราก็ทําบุญใส่บาตรไปทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเขาก็จะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงไปทุกวันถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเปรตแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเราจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่เราคำถามจากคุณกอลวี การบวชเป็นแม่ชีโกนหัวถือศีลแบบพระใช่ไหมคะก็แล้วแต่คนที่ถือเขเขาเาถืออะไรบ้างก็ไม่รู้แหะการบวชนี่มันไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวแล้วอยู่ที่การไม่โกนหัวการบวชคือการถือศีลถือศีลกี่ข้อมันมีหลายหลา ย, หลายระดับศีลห้าก็ยังไม่ถือว่าเป็นการบวชศีลห้านี่เป็นเป็นศีลของนักบุญ ศีลแปดนี่แหละถึงเรียเรียกว่าเป็นศีลของนักบวชแล้วมันมีศีลที่มากกว่านั้นอีกจากแปดก็เป็นสิบจากสิบก็เป็นสองร้อยยิบเจ็ดดังนั้นมันอยู่ที่การรักษาศีลว่ามากว่าน้อยถ้าบวชนี่ถือว่าตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปก็ถือว่าได้เป็นนักบวชแล้วจะโกนหัวแล้วไม่โกนหัวก็ไม่ต่างกันศีลไม่ได้อยู่ที่ผมเนี่ใช่ะ ถ้วอยู่ที่ผมก็โกนหัวกันทุกคนแล้วก็ไปกินเหล้ากันเลยใช่ไหมฉันมีศีลแล้วเพราะฉันโกนหัวแล้วแต่ฉันกินเหล้าได้แล้วมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่การโกนหัวแล้วไม่โกนหัวไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองหรือห่มเหลืองหรือห่มขาวอยู่ที่การมีศีลกี่ข้อจะเป็นนักบวชนี่ก็ต้องมีศีแลแปดข้อขึ้นไปข้อที่สอง แม่ชีสามารถขับรถยนต์ไปไได้ปนู่นไปนี่ได้หรือไม่คะแม่ชีนี่ก็ไม่ได้มีใครห้ามบังคับอะไรนี่เพราะว่าแม่ชีไม่ได้เป็นองค์กรเหมือนพระพระนี่เป็นองค์กรมีกฎมีระเบียบต่างๆแม่ชีนี่เป็นคารวะญาติโยมผู้ที่อยากจะถือศีลในเรื่องเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามความพอใจของเขาได้ เมชีบางพวกก็ปฏิบัติตามพระไปอยู่วัดที่อยู่กับพระพระท่านทำไม่ทำอะไรเมชีก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่เมชีบางพวกเขาบวชแล้วเขาอยู่บ้านเขายังเลี้ยงลูกอยู่เรายังมีลูกเล็กอยู่ตอนชเช้าก็อาจจะขับรถไปส่งเขาไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวก็แวะไปซื้อกับข้าวกับปลากลับมาอย้าก็เขาก็ไม่ไปทำอะไรเขาก็รักษาศินของเขาอยู่บ้านของเขา นั่งสมาธิอยู่ในบ้านฟังเทศฟังธรรมอยู่ในบ้านอันนี้ก็ไม่ก็ไม่เสียหายตรงไหนเมนมันเพราะว่าแม่ชีนี็มันไม่มีองค์กรเหมือนกับของพระพระนี่มีองค์กรที่จะต้องคอยควบคุมบังคับให้อยู่ในตามกฎกติกาต่างๆเพราะว่าพระนี่อยู่ได้ด้วยศรัทธาของชาวบ้านดังนั้นการการะทาของพระต้องไม่ทำให้เสื่อมศรัทธา เวลาทำลาเสื่อมศรัท ธ, ธาก็จะต้องหยุดทำสมัยสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่นี่เวลาพระไปทำอะไรที่ชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วย<ม>เขาาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพอฟ้องพระพุทธเจ้ารับทราบก็สั่งห้ามทีนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามามาห้ามแนละ้วสมัยนี้ก็เลยไม่ก็มีญาติโยมฟ้องกันอยู่เรื่อยเห็นพระเดินเดินไป แ, แถวศูนย์การค้าบ้าง ถือกระเป๋าเวอร์ซ่าเซ่บ้างใส่แว่นเลนส์บ้างก็ไม่มีใครไปห้ามได้อังนี้มันก็เรื่องขององค์กรที่จะต้องคอยควบคุมต้องต้องคอยสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็มีเรื่องใหม่ๆที่ไม่มีในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีศูนย์การค้าเใช่ไ พระพุทธเจ้าไม่มีกระเป๋าเวอร์ซาเซ่อะไรพวกนี้ไม่มีสิ่งต่างๆที่มีในยางสมัยนี้นี่มันก็อยู่ที่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าในประเทศไทยเราก็เรียกว่ามหาเถรสมาคมมหาเถรก็ประกอบด้วยพระพระผู้ใหญ่พระมีพรรษามากตั้งแต่พระสังฆราชลงมาพระสังฆราชแล้วก็สมเด็จแปดองค์ เป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของพระสงฆ์องค์เจ้าว่าทําให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาหรือทําให้ญาติโยมเกิดศรัทธาอันนี้ถ้ามีการกระทำอะไรที่เสื่อมศรัทธาก็อาจจะต้องมีการประชุมมหาเถรสมาคมซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินข่าวๆบางช่วงบางเวลาที่มีพระรูปใดรูปหนึ่งไปประพฤติ ทำอะไรแล้วทำให้เกิดมีการามีการโจ์ขานกาันมีการามีการแสดงความเห็นต่างๆคณะสงฆ์ก็อาจจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้คือของพระแต่ของแม่ชีนี้ไม่มีไม่มีองค์กรที่จะมาคอยควบคุมแม่ชีไม่มีกฎหมายรองรับแม่ชีจึงเป็นเป็น เป็นนักบวชที่แปลกนักบวชที่ทางกฎหมายเขาไม่รองรับเช่นทางกฎหมายรองรับพระแล้วก็มีการสนับสนุนพระาศาสนาแต่แม่ชีเขาถือว่าเป็นคนธรรมดาเป็นนิติบุคคลแต่กลับไปห้ามไม่ให้เขามีสิทธิ์เลือกตั้งแม่ชีนี้เลือกตั้งไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ แต่กลับไปทำให้เหมือนกับเป็นพระพระก็ลงลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ไปเลือกตั้งไม่ได้อันนี้ก็เลยมันก็ไม่ชีก็เลยเป็นแบบครึ่งครึ่งกลางๆงครึ่งพระครึ่งคาาวะาและแม่ชีที่ปฏิบัติกันก็มีหลายแบบแบบที่เคร่งครัดแบบตามพระก็มีแบบที่ไม่เคร่งครัดเขาก็อยู่ตามบ้านก็มี มีอะไรไหมค่ะวันธรรมดาผมจะรักษาศีลห้าวันพระผมจะรักษาศีลอุโบสถและไปทํางานปกติทั้งที่ใจจริงอยากไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดตลอดวันหยุดแต่เนื่องจากพ่อแม่ยังเป็นคนหาเช้ากินขํามวันหยุดจึงกลับมาช่วยท่านทํางานแทนเพราะสงสารท่านเป็นห่วงแต่อิจใจก็อยากไปปฏิบัติ ไปหาความสงบที่วัดแต่ก็ตัดใจไปไม่ค่อยได้เป็นเพราะห่วงทางบ้านลบกวนของความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยแนะนำในการสร้างสมดุลของทั้งสองด้านนี้หรือผมควรวางแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไรดีครับก็ต้องทาตามภาวะของเราภาวะของเรายังไม่พร้อมที่จะไปวัดก็ต้องก็ยังไปไม่ได้อย่าไปอยากไ ป, อ ย, กไปอยากแล้วก็จะทำให้เราไม่สบายใจไปเปล่า เหมือ น, น LIKE กับเรายัางติดอยู่บนถนนที่อยู่ชั้นล่างไม่ได้ขึ้นทางด่วนแต่ยังไม่ขึ้นทางด่วนอยากจะขึ้นทางด่วนมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ดีเพราะยังติดอาจจะเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าทางทางด่วนก็เรายังขึ้นไม่ได้ยังต้องอยู่วิ่งถนนข้างล่างอยู่ก็วิ่งไปช้าหน่อยเดี๋ยวมันก็ถึงเหมือนกันแต่อาจจะถึงช้ากว่าถ้าได้ขึ้นทางด่วน ถ้าได้ขึ้นทางด่วนมันก็ไปปุ๊บเดียวก็ถึง <Yeah. S 1> แต่เรามันยังติดนู่นติดนี่อยู่มันเพือนกับติดรถติ ด, ต ด, ตดสี่แยกไฟแดงติดอะไรต่างๆอยู่มันก็เลยไปไม่ไม่ได้เร็ว <Yeah. S 1> เราก็ต้องรอเวลาที่เราพร้อมที่จะขึ้นทางด่วนแล้วเราก็ค่อยขึ้นทางด่วนไปกลัว <Yeah. S 1> ว่าเราพอถึงเวลาจริงๆมันไม่อยากจะไปแล้ว <Yeah. S 1> เวลาไม่ได้ไปนี่อยากจะไปกันกิเลสมันชอบมาหลอกเรานะ เวลาไม่ได้ปฏิบัตินี้อยากจะไปปฏิบัติพอได้เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่ไปนลมันอยากจะไปที่อื่นแทนนะหรือถ้าไปก็อยู่ได้สองวันก็ข อ, อกลับนะเห็นก็ต้องอย่าไปให้กิเลสมันหลอกเราเราต้องดูภาวะของเราถ้าเรายังไปไม่ได้ก็ยอมรับว่ายังไปไม่ได้แล้วอย่าไปอยากอ ย, าอย่าไปอยากหลอกตัวเองเลย เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราไปได้นะมันจะเปลี่ยนความอยากซะอเมื่อก่อนอยากไปตอนที่ไปไม่ได้ก็อยากไปพอถึงเวลาไปได้ก็ไม่อยากไปซะแล้วอันนี้ก็ถ้าเราอยากจะไปจริงๆเราก็ต้องคอยคอยหาจังหวะหาเวลาหาช่องพอมีจังหวะมีช่องมีเวลาก็ไปก็ไปวันเดียวทำไมต้องไปไม่ได้หรือมีวันต้องเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งมีต้องเจ็ดวัน ทำไมมีวันไปเที่ยวได้วะทำไมวันที่ไปเที่ยวทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้ไม่ต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานได้แต่พอวันที่จะไปวัดนี่กลับไปไม่ได้ใช่ไห응ก็ลองถามตัวเองดูเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิเลสหรือเปล่าคาถามจากคุณสลานจิตคะ่ะธรรมะอะไรที่จะช่วยเราได้ตอนเราป่วยไข้ให้ใคลายความทุกข์จากการเจ็บป่วยคะสติหรือปัญญาเนี่ย ถ้ามีสติก็พุโทโธพุโทโธไปใจสงบก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายถ้ามีปัญญาก็ปลงได้วางได้ปล่อยร่างกายไม่ยึดไม่ถือไม่ว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายเป็นอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะไม่ทรมานก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าสติก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่มีสติหยุดความคิดปรุงแต่งมันก็สงบ แต่พอเวลาไม่มีสติมันก็คิดปรุงแต่งมันก็ไม่สงบแต่ถ้ามีปัญญามันจะสงบตลอดเวลาเพราะมันจะปลงจะปล่อยจะวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปค่ะคำถามจากคุณธรรมชาติคะ่ะ ตัวผู้รู้คือผู้ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่เคยตายตัวผู้รู้คือดวงจิตดวงใจนี้เองใช่ไหมครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับก็ดวงจิตดวงใจเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนมีทั้งผู้คิดกับผู้รู้มันไปด้วยกันมันเป็นฝาแฝดเป็นตัวเดียวกันเงแต่ว่ามีทำสองหน้าที่หน้าที่ผู้รู้กับหน้าที่ผู้คิดผู้คิดตอนนี้คิดไม่ถูกคิดไม่เป็นคิดแต่จะหา ความทุกข์มาใส่ตัวเองเราจึงต้องหยุดหยุดตัวคิดนี้แล้วก็สอนตัวคิดนี้ให้คิดในทางที่จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ก็คือหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสอนให้ตัวคิดนี้หยุดคิดถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดหรือถ้าคิดแล้วมันเกิดความทุกข์ก็ให้มันหยุดคิดแล้วค่อยสอนให้มันคิดไปในทางที่จะทาให้ไม่ทุกข์ คำถามจาคุณจงแจงค่ะถ้าปฏิบัติอยู่ที่วัดสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งนั่งสมาธิสลับเดินจงกรมแต่จะนอนกลางคืนยาวแปดชั่วโมงแต่ถ้านอนน้อยจะง่วงเคยอดอาหารแต่ก็นอนเยอะอยู่ดีถือว่านอนมากเกินไปไหมคะก็มันเป็นอาจจะเป็นติดนิสัยมาจากปการเป็นคารวะเ่ยการเป็นคารวะก็เคยนอนแปดชั่วโมงพอจะมาปฏิบัติธรรมมันก็อาจจะติดนิสัยนั้นอยู่ ก็อาจจะต้องค่อยๆลดปริมาณลงไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับพลังของจิตที่ได้จากการปฏิบัติถ้าได้สติมากขึ้นจิตมันจะตื่นมากขึ้นมันจะไม่ง่วงมันจะไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่แล้วมันจะกินน้อยลงด้วยส่วนที่ทำให้เรานอนมากส่วนหนึ่งก็คือการกินกินมากสองการไม่มีสติมันเลยทาให้ง่วง ถ้าเราฝึกสติไปต่อไปจิตมันจะไม่ค่อยงว่วงมันจะตื่นแล้วพอแล้วเราถ้าเราปฏิบัติแล้วมีความอิ่มใจสุขใจเราก็จะกินน้อยแล้วต่อไปก็จะร่นเหลือสี่ห้าชั่วโมงได้ธรรมโอสถคือการนำธรรมมาใช้อย่างไรคะเขาเปรียบเทียบว่าธรรมนี่เป็นเหมือนยาโอสถแป้ว่ายายารักษาโรคโลกใจ ใจก็เป็นเหมือนร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายก็ต้องไปหายามารักษาเวลาปวดหัวก็หายาแก้ปวดหัวมารับประทานมารับประทานเข้าไปอาการปวดหัวก็หายไปเวลาใจทุกข์อันนี้ก็เป็นเหมือนการปวดใจอย่างหนึง่งใจทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเอาธรรมะมาระ ง, งับธรรมะก็มีสองขนาดสติกับปัญญาที่จะระ ง, งับความ ความทุกข์ทางใจถ้าถ้ามีสติก็ระ ง, งับเป็นครั้งเป็นคราวพอลทธิ์ของสติหมดพอลิ์ยาหมดความทุกข์ก็กลับมาใหม่ถ้าอยากจะรักษาให้ความทุกข์หายขาดก็ต้องใช้ปัญญาคําถามจากคุณอ๋องการละกิเลสตัวตันหามีอุบายอย่างไรบ้างครับผมพยายามละแต่ก็ทําไม่ได้ทํา ทำได้แค่ไม่ทำให้ผีสินเท่านั้นครับ อ, อ๋อกัรยละตันหาได้นี่ต้องมีสติมีสมาธิก่อนต้องฝึกสติเพื่อทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาดูว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเรากันแน่มันให้สุขหรือให้ทุกข์กับเรากันแน่ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้ มันให้สุขน้อยกว่าให้ทุกข์ได้ไม่คุ้มเสียความสุขได้ได้เดียวเดียวแล้วก็เวลาความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะตามเข้ามาเช่นได้อะไรมาได้ดูอะไรก็มีความสุขพอดูเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็จะเกิดความอยากดูใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ดูก็จะเกิดอาการทรมานใจขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเห็นว่า ถ้าลองทำตามความอยากแล้วมันจะไม่หมดอยากมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วพอเวลาไม่ได้ทำตามความอยากมันก็จะทุกข์เหมือนคนที่สูบบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ถ้าได้สูบ ก, ก็มีความสุขพอสูบไปสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็หมดไปแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดบุหรี่หมดแต่ความอยากไม่หมดแล้วตอนนั้นก็จะทุกข์ อยากจะสูบบุหรี่แต่ไม่มีบุหรี่ให้สูบต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรานี้มันจะต้องมีวันที่เราไม่สามารถที่จะหามาได้มีได้หรือเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะเสดมันได้เวลาที่ร่างกายเราไม่สบายนี้อยากจะสูบบุหรี่ก็สูบไม่ได้อย่างนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่า การทำตามความอยากนี้มันจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากนั้นมันไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความอยากความอยากมันจะไม่หมดถ้าเราไปทำตามความอยากมันจะโผล่มาเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ความอยากหมดก็อย่าไปทำตามความอยากอันนี้เป็นการคิดด้วยปัญญาเมื่อเห็นแล้วว่าการทำตามความอยากนี้ นำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความอยากไม่มีสิ้นสุดถ้าอยากจะให้มันความอยากหมดก็ต้องไม่ทําตามความอยากจะไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องมีความสงบพอเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันจะสัน่นใจมันจะทุกข์เวลาใจสัน่นใจทุกข์ถ้าทําใจให้สงบได้ก็จะหายสัน่นหายทุกข์นั้นก่อนที่จะมาใช้ปัญญาเพื่อที่จะระงับ ความอยากต่สอสู้กับความอยากได้ต้องมีความสงบก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงต้องฝึกสติก่อนฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆจนสามารถสั่งให้ใจสงบได้ทุกครั้ง<ม>เวลาใจอยากอะไรก็สั่งให้มันหยุดได้<ม>ถ้ารู้ด้วยว่า ร, ร, ร, ร, รู้ด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์แบบไม่มีวันจบตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ คำถามาต่อไปคำถามจากคุณลิชชี่การทำวัดเย็นจำเป็นต้องพาดผ้าสังคติไหมครับถ้าห่มเฉลียงไม่พาดผ้าสังคติจะผิดพระวินัยไหมครับและการทำวัดเย็นถือเป็นสังฆกรรมในพระธรรมวินัยไหมครับการทำวัดเย็นก็เป็นการฝึกปฏิบัตอิอย่างหนึ่งฝึกสมาธิฝึกสตินี้จะใส่แต่งกายอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในที่ไหน ถ้าอยู่ในที่ที่เขาแต่งกันเราก็ต้องแต่งกันถ้าอยู่ในที่กุติเราเราไม่ต้องแต่งก็ได้ไม่ต้องห่มจีวรก็ได้ใส่อังศะผืนเดียวก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมของสถานที่ต้องรู้จักกาลเทศะถ้าไปาไปส่วนในไปทำวัดในโบสถ์มีผู้อื่นเขาต้องแต่งเต็มชุดเราก็ต้องแต่งเต็มชุดตามเขาไปเหมือนกินข้าวเรากินข้าวที่บ้านเรากินยังไงก็ได้ใช่ แต่ถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะกับร้านอาหารนะั้นร้านอาหารบางแห่งถ้าไม่ใส่สูตรเขาก็ไม่ให้เข้าถ้าใส่จงกระเบนเข้าไปเขาก็ไม่ให้เข้าใส่เกงยีนี้เขาก็ไม่ให้เข้ายัางี้มันก็อยู่ที่การละเทศะว่าควรจะใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรอย่างไรส่วนการส่วนมนนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าการภาวนาก็ได้ เป็นการจเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณซีสันก่อนนั่งสมาธิไม่ต้องสวดมนต์ได้ไหมคะมตั้งนโมสามจบและนั่งสมาธิเลยหรือต้องกล่าวบทใดก่อนคะก็ได้การจะนั่งสมาธินั่งได้เลยไม่ต้องเหมือนมวยไม่ต้องไหว้ครูก็ได้ขึ้นเมทีก็ซัดกันเลย การปฏิบัติธรรมก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสเนี่ต่อสู้กับความฟุ้งซ่านการนั่งสมาธินี่ก็ต่อสู้กับความฟุง้งซ่านความพิษปรุงแต่งทีนี้บางคนก่อนที่จะต่อสู้ก็อยากจะสวดมนต์ก่อนก็สวดไปบางคนอยากจะทำจุดธูปเทียนก่อนก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละคนแต่ การการกระทําจริงๆก็อยู่ตรงที่การนั่งสมาธินั่นแหละแต่าบางคนบางทีจะนั่งสมาธิเลยก็นั่งไม่ได้เพราะใจยังฟุ้งอยู่ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็สวดไปถ้าไม่ต้องอาศัยการสวดมนต์จะนั่งสมาธิก็นั่งได้เลยก็นั่งไปเลยดูลมได้เลยพุโทโธไปได้เลยก็ทําได้เลยคํานะถามจากคุณโอกาวะ ช่วงเวลาที่ผมนั่งสมาธิจิตจะนิ่งและรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกและได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบๆครับและผมก็ไม่สนใจครับดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่พอนั่งไปได้สักพักผมมีความรู้สึกว่าร่างกายผมหายไปไหนมีแต่ลมหายใจและผมก็นั่งต่อไปมีความรู้สึกว่าสงบนิ่งสบายบอกไม่ถูกครับไม่ทราบว่าผมทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับเดียวก็ละจิตเริ่มสงบดูไปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ให้รู้อยู่กับลมไปจนกว่าจะไม่สามารถรู้ลมได้ถ้าไม่มีลมให้รับรู้ก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้รู้ก็รู้อยู่กับความว่างไปคอยสังเกตอย่าปล่อยให้ใจไปคิดหรือไปรับรู้เรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเป็นหนึ่งสงบเต็มที่แล้วจะมีความสุขมากคำถามจากคุณชนะตน ถ้าเราถือแค่ศิ่งแปดเจริญสติสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ได้ตลอดเวลามีโอกาสบรรลุทำขั้นสูงสุดได้ไหมคะได้ถ้าฆ่ากิเลสได้ก็บรรลุได้ถ้าฆ่าการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ก็บรรลุได้คําถามจากคุณมายเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเทศกาลเชงเม้งการเส้นไหยการเผากระดาษเงินทอง พรรพบรุษได้รับจริงหรือไม่เจ้าคะไม่ได้รับหรอกเพราะว่ามันเป็นเพียงกระดาษมันเป็นเพียงวัตถุที่ผู้ตายเป็นกายทิพย์ไปแล้วกายทิพย์นี้จะรับได้ก็คือบุญถ้าเราอยากจะให้ส่งเงินไปให้เขาก็ต้องส่งบุญไปบุญนี้เป็นเหมือนเงินของพวกกายทิพย์เขาพวกกายทิพย์นี้เขาจะต้องมีบุญถึงจะสามารถมีความสุขได้งนั้นถ้าเราอยากจะส่ง บุญส่งเงินทองส่งอะไรไปก็ต้องส่งด้วยการไปทำบุญแทนพอทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับเขาเขาก็จะได้รับบุญบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราใช้ในต่างประเทศนี่แต่เวติเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไม่ได้เอ า, เ, อาเงินไทยเราไม่ได้เอาเงินต่างประเทศไปเราก็ต้องโทรมาที่บ้านบอกช่วยโอนเงินไปให้หน่อยถ้าที่บ้านเขามีเงินเขาโอนให้เราเราก็ไ ด, ได้ได้เงินไปใช้ได้ ต้องใช้เงินตราสกุลของประเทศที่เราไปอยู่ใช่ไหมทันใดเวลาเราตายไปแล้วก็ไปอยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้เขาใช้บุญเป็นเป็นเงินงนินจะเที่ยวจะกินจะดื่มจะซื้ออะไรนีต้องใช้บุญเป็นเป็นเงินตราถ้าไม่มีก็สามารถเราให้คนที่อยู่นี่ส่งไปให้แต่เงินที่เขาส่งไปให้นี้จะน้อยมากเพราะเป็นเหมือนเงินที่ให้ขอทานเท่านั้นเขาไม่สามารถส่งไปได้มากไปกว่านั้น คำถามจากคุณวารายพันธุ์การทำบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วต้องทำบุญแบบสวดบังสกุลคนตายให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วท่านถึงจะได้บุญใช่ไหมคะ อ, อ๋อไม่หรอกไม่จำเป็นจะต้องสวดบังสกุลอะไรทั้งนั้นทำบุญแบบไหนก็ได้ใส่บาตรก็ได้ถวายทานก็ได้บริจาคเงินให้สภากาชาติไทยก็ได้ขอให้เรามีการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้อุ่นไปเราก็สามารถที่จะ โอทิดบุนไม่ได้เอาอีกคำถามนอา่าคาถามก่อนเราเดี๋ยวจะได้พักช่วงแรกคำ ถ, ถามจากคุณสมเด็จเมื่อนั่งสมาธิจิตแยกออกจากล่างลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นคืออะไรครับก็คืออย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> จะคืออะไรหรอเอาแค่นี้ก่อ น, น้วสาหรับช่วงแรกนี้จะขออนุโมทนาให้พร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 ภราสุยธาสัพพิตโยวิวาจจันตุสัพพโรโคลินัสตุมัเตภวตวันตระยอสุขีทีฆายุโกภวะอภิวะธนศีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโอสุขัง อ่านอันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสี่รอยี่สิบสามค่ะ YouTube 123, y o u t u ร e อย3ี่สิบสามวิทยุสิบสี่ผู้รับฟังบนเขาสามสิบสี่รวมทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบสี่ค่ะ594รอยเก้าสิบสี่เดี๋ยวประมาณสามงยี่สิบก็จะตัดนะจะหยุดถ่ายทอดภาษาไทยแล้วจะสอด้วยภาษาอังกฤษ ถ้าอยากจะฟังภาษาอังกฤษก็รอฟังช่วงสามสามยี่สิบจะมีคำถามที่เขาส่งเข้ามาแต่ช่วงนี้ยังถามได้ยังเหลือประมาณยี่สิบนาที <20 S 1> จะเลยคำถามของเรานน่เดี๋ยวคำถามไม่ได้ถามอยากจะรู้ถามอยากจะถามมากกว่า มีคำถามต่อไหม<อ>ถามต่ อ, อท่านนี้ก็อยากจะถามน้อยก็ถามหน่อยนีเดี๋ยวจะหาว่ากิจกันอยากทราบว่าเป็นวิภวปัญหาหรือเปล่าอะค่ะหลวงพ่อถ้าเกิดเราให้สัจจะ ก, กับกับครูบาอาจารย์ว่าว่าส่วว่าเราจะกิฟว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะเอาปัจจัยนั้นไปถวายไปถวายท่านแล้วก็ าตามท่านไปคือตามท่านไปอีกจังหวัดหนึ่งอะไรเง mm ี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะไว้ทําให้สัจจะนั้นสําเร็จทําให้สิ่งที่ตั้งใจนั้นสําเร็จโู้ยกลาๆไม่ได้ยินนะค่ะเพราะคือคือความความที่ตั้งใจไว้แล้วทําให้ได้สําเร็จนั้นเป็นการสนองปิภวะตันหาหรือเปล่ามันกสนองตันหาเนี่ยวิภป h a r มัน ความไม่ต้องการอ๋อเป็นภวะตันหาอ่าเป็นภาวะตันหาก็ภาวะตัหามันมันอยู่ที่ว่าการที่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าภาวะตันหาเป็นอยากรวยอยากอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวะตันหาอยากได้บุญอยากได้บุญอันนี่เขาไม่ถือว่าเป็นตันหาเลยเทื่ว่าเป็นมัจการอยากได้บุญการอยากทําบุญอยากรักษาศีล อย่างนั่นสมาธิอันนี้เรียกว่าเป็นฉันทะความพอใจความยินดีในธรรมอันนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาที่เราต้องละให้ให้ทำได้อยากทำบุญทำไปอยากรักษาสีรักษาไปอยากฟังเทศฟังธรรมทาไปไม่ต้องละถ้าอยากไปเที่ยวไมละการมาตัณหาเรียกว่าอยากไปเที่ยวเรียกว่าการมาตัณหาอยากรวยอยากสวยอย่างนี้เป็น ภาวะตันหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บเรียกว่าวิภาวะตันหาเอาพวกนี้อยากแล้วมันทุกข์เพราะอยากแล้วมันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้อยากส่งคุณพ่อไปเที่ยวอินเดียเพื่อให้ท่านได้บุญแล้วก็มีความเชื่ออย่างที่ได้ยินมาว่าถ้ า, า, าได้ไปแล้วจะไม่ตกนรกอะไรแบบนี้คะก็อยู่ที่ว่าท่านท่านจะไปหรือไม่ไป ถ้าท่านไปเราก็มีความสุขถ้าท่านถ้าท่านไม่ไปเราก็จะทุกข์ถ้าท่านไม่ไปเราก็ต้องหยุดความอยากนั่งขอบคุณค่ะอยากก็ไม่ได้ดังใจก็ต้องหยุดรึงแม้อยากจะทําบุญแล้วไม่ได้ทําก็ต้องหยุดเพราะอยากไปแล้วไม่ได้ทํามันก็จะทุกข์ถ้าอะไรทาให้เราทุกข์ก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหา แต่ถ้าทําแล้วมันเป็นความสุขแต่ก็อาจจะต้องระวงังอาจจะเป็นความสุขปลอมก็ต้องมันพูดยากพูดกับคนโง่พูดยังไงมันก็จะหาทางทางจะหา อ, อมันก็จะหาหาทางไปของมันจนได้นี่ก็ต้องพูดตามหลักง่ายๆก็แล้วกันการเ ม, มาตัาหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเพราะบางนี้อยากบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ เวลาได้ก็สุขแต่พอไม่ได้ก็จะทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่าตัณหาก็เหมือนกันอยากจะเป็นอาจจะได้เป็นก็ได้เป็นแล้วเดี๋ยวก็จจะไม่ได้เดี๋ยวอาจจะหมดไปก็ได้อย่าไปอยากของพวกที่มันไม่เที่ยงถ้าอยากในของที่เที่ยงของที่เที่ก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะถ้าอยู่ในใจแล้วความสงบที่อยู่ในใจแล้วมันจะทําให้ใจเราสุขแล้วอยู่กับเราไปตลอดเี่ย อ่คำ ถ, ถ, ถามจากคุณต้นการรักษาศีลแบบไหนถึงจะมีผลต่อการทําให้เกิดสมาธิครับก็ต้องศีลแปดขึ้นไปเนี่ยศีลห้ามันยังมีช่องให้กิเลสออกไปเพ่นพ่านได้ถ้าถือศีลแปดนี่มันจะไม่มีช่องให้กิเลสออกไปเพ่นพ่านมันก็จะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวถ้าถือศีลห้ามันยังแวะไปดูหนังได้แวะไปฟังเพลงได้แวะไปนอนกับแฟนได้น แต่ถ้าถือสินแปดนี้ไปไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้ต้องมานั่งสมาธิคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากทราบว่าจําเป็นไหมครับการบวชพระต้องเสียตังค์จะต้องจัดงานใหญ่โตแห่หน้าสาทุครับ อ, อ๋อก็ไม่จําเป็นหรอกแล้วแต่แล้วแต่ฐานะของเราแล้วแต่ธรรมเนียมของเราของทีบ้านเราเขาเคยทําอย่างนี้มาเป็นประเพณี เวลาบวชทีก็ต้องจัดงานเลี้ยงแจกแการก็ต้องทําไปตามธรรมเนียมบางวันเขาก็ไม่มีเขาก็เข้าวัดเข้าโบวถไปเลยอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นการบวชที่จําเป็นจะต้องมีก็คืออัฐบริขารนะคือให้มีมีบาทมีจีวรมีของที่พระจะต้องใช้แล้วก็ต้องมีอุปชาผู้ที่จะทําหน้าที่บวชให้เรามีพระที่จะเป็นพยานท่านี้ก็บวชได้ คำถามจากคุณสายพินผมภาวานา ม, มาหลายปีแล้วช่วงนี้มันเกิดเบื่อหน่ายกับสังขารมากเพราะจิตมีอาการหดหู่เบื่อไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรก็เป็นทุก์ไปหมดขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับเราเผลอสติไงเราไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเราไม่ควบคุมใจถ้าเราควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออาการเบื่อหน่ายเหล่านี้ก็หายไปรีบกลับมาสร้างสติตอนนี้เราปล่อยให้ใจมันคิด อรคิดแล้วมันก็เบื่อเห็นอะไรก็เบื่อแต่ถ้าเราทำใจให้หยุดคิดได้ต่อไปมันเห็นอะไรก็จะเฉยเฉยไม่เบื่อคำถามจากคุณพีโกที่กล่าวว่าเห็นสักแต่สักแต่เห็นคำว่าเห็นคือการบอกตัวจักสุวิญญาณให้นิ่งๆหรือบอกให้จิตให้นิ่งๆครับให้บอกความให้บอกให้จิตเฉยเฉยคือให้รู้เฉยเฉย เห็นอะไรก็อย่าไปดีใจเสียใจอย่าไปโลภโกรธหลงกับสิ่งที่เห็นความหมายคือให้เห็นเฉยเฉยคำถามจากคุณชนะตนพ่อแม่ยังสบายดีอยู่และดูแลตัวเองได้โยมเลยถือโอกาสช่วงว่างๆไปปรีกวิเวกก่อนแต่ไปเยี่ยมท่านและเอาเงินไปให้ท่านทุกเดือนเพราะกลัวท่านป่วยหรือเราป่วยจะไม่มีเวลาอย่างนี้โยมคิดถูกไหมคะถูกก็แหละ ตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทําไปก่อนคําถามจากคุณศากดิ์แพงใหญ่ขอถามพระอาจารย์เรื่องการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเราสามารถอุทิศบุญเก่าที่เราเคยทําไปให้ดวงวิญญาณได้หรือไม่ครับไม่ได้มนะันบุญเก่าก็อุทิศไปแล้วมันจะไปเอากลับมาได้ยังไงก็ต้องเอาบุญใหม่เลยมันเป็นเหมือนกับข้าวอาหารที่เราทํากินไปหมดแล้ว บุญนันในใญำคำถามจากคุณจัสมินค่ะการซื้อขายเหรียญพระในราคาสูงเป็นบาปหรือไม่คะไม่บาปหรอกมันเป็นเรื่องของความต้องการกับความความต้องการของคนขายกับคนซื้อถ้าคนขายอยากจะขายสูงและคนซื้อซื้อก็ไม่เสียหายถ้าเราไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาว่า อมันวิเศษอย่างนู้นวิเศษอย่างนี้หรือซื้อมาเท่านู้นเท่านี้ถ้าไม่ไปพูดโกหกหลอกลวงก็ไม่บาปคําถามจากคุณธนวดีค่ะถ้าเราคิดว่าอยากย้ายที่ทํางานไปอยู่ในที่ที่มีคนดีกว่าที่ใกล้ครูบาอาจารย์มากกว่าที่เดิมจะถือว่าเป็นที่สัปปายะหรือเป็นกิเลสคะการได้อยู่กับคนที่ที่ ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญของเราก็ต้องถือว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาลก็คือคนที่ไม่ชอบธรรมะเรียกว่าคนพาลคนที่ชอบธรรมะเรียกว่าบัณฑิตเอานถ้าเราชอบธรรมะเราชอบปฏิบัติธรรมเราก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขาชอบธรรมเพราะเขาจะได้ชวนเราไปปฏิบัติธรรมร่วมกันถ้าเราไปอยู่กับคนพาลที่ไม่ชอบธรรมะชอบกินเหล้าเมายา เขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเมายาเพรนการเลือกคบกับคนก็เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญที่เราควรจะรู้จักเลือกคําถามจากคุณนุกคนชอบเล่นหวยการพา น, านันแต่ชอบออกลงทานบ่อยๆจะได้อะไรยังไงตายไปจะไปทางใดคะอ๋อก็ได้ทั้งสองอย่างคือการเล่นหวยก็ไม่บาปเป็นเพียงอบายมุกอบายมุกก็คือเสี่ยงต่อการทําบาปได้ ถ้าเล่นแล้วเจ๊งมันไม่มีเงินเล่นก็อาจจะต้องไปขโมยเงินมาเล่นต่อแต่ถ้าเราถ้าเราควบคุมใจได้ถ้าเล่นแล้วเจ๊งหมดก็เลิกเล่นก็ไม่มีก็ยังไม่เสียหายตรงไหนเสียแค่เงินทองแต่ยังไม่ได้ไปทำบาปแต่บางคนเล่นแล้วเสียแล้วเสียดายเงินอยากจะได้คืนก็อาจจะต้องไปขโมยเงินหร้อไปหลอกเงินจากคนอื่นมาเพื่อที่จะมาเล่นต่อ อย่างนี้ก็จะเป็นการทําบาปส่วนอาการที่เอาเงินจากการเล่นการพนันไปทําบุญก็ได้บุญเหมือนกันเหมือนกันไม่เสียหายตรงไหนคําถามจากคุณคณิษฐาการที่เราระ ง, งับอารมณ์โมโหไม่ได้แล้วเราจะต้องทําอย่างไรให้ระ ง, งับอารมณ์เหล่านี้ได้คะก็ไม่มีสติไงเราต้องพยายามฝึกสติพุทโธพุทโธพอเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธหรือคนที่ทําให้เราโกรธถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวความโกรธมันก็หายไปแต่มันจะหายชั่วคราวเดี๋ยวเรามาเจอคนที่ทําให้เราโกรธเราก็ยังจะโกรธอีกหรือเราเผลอไปคิดถึงเขาอีกเราก็จะโกรธอีกวิธีที่จะทําให้เราหายโกรธเลยก็คือเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหต<อ>ุของความโกรธก็คือความอยากเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ เราก็ไม่ทําเราก็เลยโกรธใช่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาเอ่องั้นเราต้องหยุดความอยากของเราหยุดความอยากที่จะให้เขาทาตามใจเราพอเขาไม่ทําตามใจเราเราก็โกรธพอเราไม่มีความอยากให้เขาทาตามใจเราเราก็จะไม่โกรธเขาเห็นไหมคนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่โกรธเลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีความอยากอะไรกับเขาอ่ะตอนที่เราไม่รู้จักเจอเขาก็เราก็เฉยเฉย เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาอแต่พอคนที่ใกล้ตัวเรานี่เราก็กลับไปโกรธเขาเพราะเราอยากจะให้ก็ทํานู่นทํานี่ให้เราพอเขาทําไม่ทําให้เราเราก็เลยโกรธเขาขึ้นมาเพราะงั้นถ้าอยากจะไม่มีความโกรธก็อย่าไปมีความอยากต่อหมดแล้วเลยมีต่อค่ะอะอีกสองคำถามคุณขวัญสิบแปดก็อยู่นคุ้นขวัญค่ะ หนูได้ถวายข้าวพระพุทธทุกมือ้อก่อนทานอาหารจะตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายพระตาหารต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสสางทานเองค่ะแบบนี้คือได้บุญไหมคะแต่ได้ความสบายใจค่ะทำทุกวันค่ะไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้บุญจะเอาเงินไปเอาอาหารไปใส่บาทดีกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปกินข้าวไม่ได้บุญที่เกิดจากการถวาย อ า, อาหารให้แก่พระพุทธรูปนี้เอาไปใส่บาตรดีกว่าจะได้บุญเพราะพระท่านพระสงฆ์กินข้าวได้มาแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีใครอยากจะถามไหมเดี๋ยวเลยประมาณสักสามนาทีเดี๋ยวจะตัดคำ ถ, ถามจากคุณคนธรรมดาค่ะการพิจารณามรณมรัน นานรู้สติจะสามารถเอาชนะความกลัวเจ็บกลัวตายได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเรามีกําลังมากน้อยเท่าไหร่ถ้าใจเรายังไม่สงบมากนะักเวลาคิดถึงความตายยิ่งทําให้กลัวอ่ะคนบางคนนี่ไม่กล้าพูดถึงคําว่าตายเลยพอพูดคําว่าตายนี่ใจสั่นนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เปิดไม่เป็นประโยชน์เพราะใจยังไม่มีกําลังไม่มีสมาธิพอ แต่ถ้าใจมีสมาธิมีความสงบแล้วเวลาพูดคิดถึงความตายมันจะไม่สัน่นมันจะเฉยเฉยมันจะรับรู้ได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะมันจะเป็นสติเตือนใจว่าเราจะต้องตายถ้าเราไม่คิดเราจะลืมได้พอเราลืมเราก็จะไม่เตรียมตัวเตรียมใจตายกันแต่ถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องตายต้องตายเราก็จะเตรียมตัวกันเตรียมใจกัน พอถึงเวลาตายจริงๆมันก็จะไม่ทุกข์มากนั้นต้องอยู่ที่ว่าเรามีสมาธิมากน้อยเพียงไรถ้าเรายังคิดถึงคำตายความตายไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปคิดเลยพอคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องรอฝึกสมาธิทําใจให้สงบพอมีกําลังที่จะรับความตายได้ก่อนแล้วการพิจารณาความตายมันจะทําให้เราละความโลภความโกรธได้ พอเวลาถ้าเราโลภอยากได้แล้วก็เดี๋ยวก็ตายแล้วเอาไปทําไมคิดแค่นี้นล้มันก็ไม่อยากได้แล้วเวลาจะโกรธใครก็โกรธเขาทําไมเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปแต่จะต้องมีสมาธิก่อนถึงจะใช้ความตายนี้มาเป็นเครื่องมือกําจัดกิเลส ข, ของเราได้ตามแล้วนะมีอีกไหมมีอีกคํถาถามสุดท้ายก็แล้วกันคํถาถามจากคุณเล็ก พ่อของสามีดิฉันอายุ75ปีค่ะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองอย่างรุนแรงขัดใจอะไรไม่ได้เลยพูดจากับกลอกไปมาจิตใจมีแต่ความอาฆาตพยาบาททุกครั้งที่สามีดิฉันขัดใจไม่ทำตามที่ต้องการในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแกก็จะไปประจานลูกชายในที่ทำงานหาว่าโดยไปหาหัวหน้าและเพื่อนๆร่วมงานโดยสร้างเรื่องกล่าวว่าลูกชายเป็นลูกเนรคุณนิสัยไม่ดีต่างๆนาน า, นาเพื่อให้คนอื่นเห็นใจตัวเองและตาหนิลูกชาย และทำเช่นนี้ทุกครั้งที่เกิดความไม่พอใจทําให้ดิฉันด้วยค่ะเพื่อความพอใจของแกลูกชายเป็นคนดีและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ค่ะขอพระขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวของลูกชายและดิฉันด้วยค่ะของลูกชายก็ดีอยู่แล้วนี่ก็ปล่อยพ่อก็อทําไปก็อยากจะพูดอะไรกับ่นอะไรก็เรื่องของเขาเมื่อเราห้ามก็ไม่ได้ก็คิดว่าก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็แล้วกันดินฟ้าอากาศเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ ฝนจะตกดดจะออกก็ต้องปล่อยมันตกไปถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์กับการกระทําของเขาขอให้เราดูการกระทําของเราก็กันว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องดีเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็ทำของเราต่อไปเีแต่ว่าเราอย่าไปอยากให้เขามาชมเราลืมอย่าไปอยากให้เขาไม่มาว่าเรามันจะทําให้เราไม่สบายใจเราต้องปล่อยเขาต้อง อมรับว่าเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เขาอยากจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเอาแล้ในวันนี้สําหรับช่วงภาษาไทยก็ขอยุติการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ